ในคาถาที่สามสิบหกหน้าสองอสาสิบได้ยินว่าพระเจ้ากรุงพาราสีพระองค์หนึ่งทรงกระทาประทัศเสีธนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สมัยนี้เขาเรียกอะไรนะก็แบบอะไรนะวันเขาเรียกว่าสวนสนามหรืออะไรอะ่ะที่เรียกว่ามาตรวจกองพลตรวจอะไรทั้งหมดอะ่ะวันนั้นก็จัด เ, เรียกว่าอิสริยยศอิสริยสมบัติกองทัพทัพช้างทัพมา้าทัพรถโอ้เอามารวมกัน เพื่อที่อะไรนะเพื่อที่จะพระราชาก็จะได้ดูอิสริยยศของตัวเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีหัวใจหมุนไปแลว้วนะแก้ว่าใจนี่หมุนเลยนะเพราะความงามแห่งพระวรากายของเขาเือแสดงว่าพระราชารูปนี้พระชาพระองค์นี้รูปหล่อมากเลยนะใครเห็นใจไม่ปกติหมดเลยว่างั้นใจไม่ปกติใจหมุนไปหมดเลยนะเพราะความงามแห่งพระวรากายพระราชารูปหล่อว่างั้น เพราะฉะนั้นคนก็เลยไปข้างหน้าไปข้างหลังไปทั้งสองข้างยังกลับมาแงนหน้าดูพระราชาใครจะโบยจะตีขอให้ได้ดูพระราชาก่อนเถอะวันนั้นตามปกติแล้วเขาบอกว่าชาวโลกไม่อิ่มในการดูพระพุทธเจ้ า, าไม่อิ่มในการดูพระจันทร์เพนแล้วก็ไม่อิ่มดูทะเลทะเลนี่ก็ดูไม่อิ่มและไม่อิ่มในการดูพระราชาคำวันนั้นปกตินะพูดถึงชาวโลกโดยปกติอยากเห็นใครบ้างอยากเห็นพระพุทธเจ้ า, าอยากดูพระจันทร์ ในวันเพนอยากดูทะเลแล้วก็อยากดูพระราชาเหมือนกันโอ้ยอยากได้เข้าเฝ้าเนี่ยนะไปร้อนอดทนเหนือทุ่มขนาดไหนก็ทนได้เหมือนกันอย่างคนที่ไปดูทะเลเนี่ยนะโอ้ยชาวเขาชาวเหนือเนี่ยชอบดูทะเลกันนะักเหมนกบอกว่าเออเนี่ยเนี่ยลูกปิดเทอมจะไปไหนกันวอกไปดูทะเลเหมนั้นนะขับรถจากเชียงรายไปเที่ยวฝั่ใต้ไปดูทะเลืขยันจริงๆเนละอันนี้ตอนมาพูดถึงตอนนี้ก็เหมือนกันว่าพระราชาเนี่ยนะ เป็นที่ชื่นชมเป็นที่ดูของหมู่มหาชนทั้งหลายในขณะนั้นพริยาของกุดุมพีคนหนึ่งขึ้นปราศาส ช, ชั้นบนเปิดหน้าต่างยืนแลดยืนแลดูอยู่พระราชาพอเห็นนางเท่านั้นแหละพระราชาก็ใจปั่นปว่วนนะคนอื่นดูถ้าปั่นปว่วนหมดตัวเองก็ดูคนอื่นแล้วปั่นป่วนบ้างก็เลยมีพระราชาฤทัยปริพัท์ปฏิพัฒน์แลลว่าหลงรักอย่างแรงก็เลยตรัสกับอมาตว่าดูก่อนพานาย เจ้าจงรู้ก่อนว่าสตรีนี่มีสามีหรือยังหรือยังไม่มีสามีไปดูซิมีผัวหรือยังมอาหมัดก็ไปดูกราบทูลว่ามีสามีแล้วพระเจ้าข้าเ่านั้นครั้งนั้นพระราชาก็คิดว่าเอ๊ะกดสตรีของเรามีเราเนี่ยมีสตรีนักฟ้อนตั้งสองหม น, นางอภิรม์เราคนเดียวนะไอ้สองหมื่นคนเนี่ยมาช่วยให้เรามีความสุขคนเดียวมือนกับนางเทพ อ, บอับสรบัดนี้เราไม่ยินดีด้วยนางเหล่านั้นตั้งสองหมื่นกลับมาเกิดตันหาในเมียของคนอื่น โอ้าทำไมมันนึกชอบเมียคนอื่นไปได้ตันหานี่นะมันเกิดขึ้นก่อนเนี่ยมันฉุดเราไปนรกแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าพระราชานี่สามารถใช้อำนาจแล้วก็แกล้งฆ่าสามีแล้วก็เอาเมียเข้ามาเข้าวังได้เโดยเฉพาะกษัตริย์โบราณเนี่ยนะสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ว่าโอ้ฉุดเราตกนรกแน่นอนนะ น, นะหมายตั้งสองหมืนคนก็ไม่พอใจไปรักเมียคนอื่นได้ยังไงเนี่ยก็เลยเห็นโทษของตันหาบุ๊ สละพระราชาสมบัติเอาเถอะเราจะข่มตันหานั้นสละราชาสมบัติออกบวชเนี่ยนะก็บอกว่าไอไอความที่สะสมบุญกุศลมาดีเนี่ยนะชอบภรยาคนอื่นเท่านั้นแล้วก็บวชได้แล้วเนี่ยนะแปลว่าตันหาเกิดยังเป็นอุปนิสัยให้บวชคือคนดีเนี่ยนะอ ะ, อะไรนิดๆหน่อยๆก็น้อมไปเพื่อจะเจริญกุศลได้หมดแล้ว แต่ถ้าคนเลวเนี่ยนะโอ้ได้โอกาสเลยใช่ไหมได้โอกาสที่จะทําชั่วคนดีทั้งหลายเนี่ยนะจะได้เหตุตัใจอย่างใดอย่างหนึง่งแม้น้อ ย, แ ม, อยแม้นิดหน่อยใบไม้ร่วงหล่นมีหน่อไม้มีต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรนะมีตุ้มมีพวกกําไรมือพวกผมคนเล็บมีคนแก่คนตายเหนลูกเห็นล้านบรรลุได้หมดอขอให้มันเจริญให้มันเพียงพอเลยเนา ะ, นะต้องเจริญให้เพียงพออะ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 สุตวาก็คือมีหูสูตรสติมีสติสติมาก็คือมีสติมีธรรมะอันกำหนดรู้แล้วเป็นผู้เที่ยงคือแน่นอนมีความเพียรพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนแล้วตรงนี้ท่านบอกว่าตันหักขยังก็คือที่เรียกว่าผู้ปรารถนาความสิ้นตันหาคือพระนิพพานเนี่ยนะตันหักขยังธรรมะเป็นที่สิ้นตันหานิพพานนี่ก็ตันหักขยะโทสักขยะโมหักขยะ มานักขยะ aya, ทิถิขยะแล้วแต่จะเรียกว่าทําเป็นที่สิ้นราคะโทสะโมหะมานะทถิถิเป็นต้นเรียกว่าพระนิพพานทางนั้นหรือความไม่เป็นไปแห่งตันหาที่มีโทษอันตนเห็นแล้วอย่างนั้นนั่นเองอัปัมมัตโตไม่ประมาทแปลว่าอะไรแปลว่าเจริญกุศลติดต่อเจริญกุศลอย่างต่ตอเนื่องเรียกว่าไม่ประมาทบทว่าอเนละอเนละมูโคเนะ ไม่เป็นคนบ้าน้ําลายเหมือนกันเลยวุ้ยคนบ้าน้ําลายไม่ศึกษาอยู่แล้วเหมือนกัน <g ül> บ้าน้ำลายเป็นยังไงแปล ว, ว่านั่งเมื่อไหร่ก็น้าลายไหล ย, ยื่ยิ้มอะไรเงี้นนะะยิ้มด้วยน้ําลายไหล ย, ยื่ตกแม่แม่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นคนบ้าไม่เป็นคนใบแแปลเป็นบัณฑิตคือต้องฉลาดเนี่ยนะคือพูดแบบอะไรนะมันตรงกันข้ามแบบสุดๆเลยเหมือนกันเลยตรงกันข้ามกับคนกลุ่มนี้นะสุตะอันให้ถึงหิตสุขหิตตาก็คือเกื้อกูลเนี่ยนะ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 คำว่าฟังเนี่ยหมายถึงว่าฟังเพื่อจะเจริญอริยมรรคหรืออีกในหนึ่งเราผู้ประกอบด้วยอาคมเรียกว่าอาคมอาคมมนขลังมนขลังก็แปลว่ามนที่จะทําให้เจริญอริยมรรคได้สติมามีสติเนี่ยนะก็สติมาใช่ไหมสติไม่ใช่ไม่ได้เอามาด้วยนะเอาสติมาด้วยจริไม่ใชม่มานี่แปลว่าผู้มีสตินะโดยศัพท์แล้วผู้มีสติแปลว่าระลึกถึงกิจทั้งหลายที่ทําไม้นานแล้วเนะี่ย สติอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลกยะพิชาโทมาสังในสติประธานกระพับในอันเดียวกันบทว่าสังขารธรรมโมมีธรรมะอันกำหนดรู้แล้วด้วยการพิจารณาธรรมนิยโตแน่นอนแน่นอนด้วยอริยมรรคเนี่ยนะประธานาวาถึงพร้อมแล้วด้วยวิริยะคือสัมมปทาน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 พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนอาชีตตาภิกษุไม่พึงติดใจในการทั้งหลายมีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติเว้นรอบฟังจบก็บรรลุเป็นผ้าอรหันท่านบรรลุไปแล้วนะของเราก็ฟังต่อแล้วกันมันในจุลนิเทศอธิบายที่อธิบายคาถาในหน้า231ที่ว่า บุคคลผู้ปรารถนาความสิ้นตันหาพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่เป็นคนบ้าคนใบ้มีการสดับมีสติมีธรรมะอันกําหนดรู้แล้วเป็นผู้เที่ยงด้วยอริยมรรคมีความเพียรพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนหนอแรดเนี่ย น, นะอธิบายว่าตันหาคืออะไรตันหาก็คือรูปปัตนหาสัพทตันหาคันทะราสะโพทะพะธรรมะตันหาก็คือตันหาในทวารหอารมณ์นั่นแหละ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 ไม่ประมาทก็คือไม่ประมาทก็คือหมายความว่าเจริญกุศลโดยเอื้อเฟื้อธรรมติดต่อไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคําว่าไม่โง่เขลาไม่โง่เขลาก็คือพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องรู้มีญาณมีปัญญาแจมแจ้งมีปัญญาทําลายกิเลสเรียกว่าไม่โง่เขลา มีสุตะพระปเจกพุทธเจ้านั้นเป็นผหูสูตรทรงไว้ซึ่งสุตตะสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจําไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจารย์พร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเรียกว่าผู้เป็นผหูสูตรก็หมายว่าจําและจําด้วยคล่องปากขึ้นใจด้วยเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วก็จําได้ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและ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 ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วก็วิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณปฏิสหรปว่าปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเพราะเหตุเกิดความดับอาศาะอาทีนวะนิสรณะของภาษามหาภูตรูป4ภาษายตนะ6อุปาทานขันห้าแล้วก็นี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรนี้อาสวะเหตุเกิดความดับแห่งอาสวะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ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 อีกอย่างหนึ่งพระปเจกพุทธเจ้านั้นตั้งอยู่ในขันเป็นที่สุดสีระสุดท้ายใช่ไหมขันนั่นเป็นที่สุดธาตุสุดท้ายอายตนะสุดท้ายคติสุดท้ายอุบัติสุดท้ายปฏิสนธิสุดท้ายพบสุดท้ายพบเป็นที่สุดนะนะสังสาระเป็นที่สุดวัตตะเป็นที่สุดสังขารเป็นที่สุดพบเป็นที่สุดพระปเจกพุทธเจ้าทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุด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 มีความเพียรในสัมมาประธานผู้เดียวเที่ยวไปดุจนอแรกนันนะนอันนี้ก็เป็นคาถาของพระประเจกพุทธเจ้าคาถาที่สามสิบหกนั่นนะ